ขออนุทานสถุการในท่านสตธุชนทั้งหลายประสูตย์ในวันนี้จะพูดเรื่องติทยสูตรเป็นประสูตร์ที่พระเจ้าทรงจาแนกแสดงธรรมะโดยสรุปก็เป็นแนวที่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยอัตญาศิยของพระองค์ก็มีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านี้ โดยเริ่มต้นโดยการรักสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าถ้าพวกปริภาชกคือนักบวชในาศาสนาได้มาขอให้ท่านเหล่านั้นจำแนกชี้แจงอธิบายถึงความแปลกแตกต่างกันของราคะโทสะมขุขมีความแตกต่างกันอย่างไงให้ท่านเหล่านั้นได้อธิบาย ปิจูต่างหลายก็กราบทูลว่าธรรมะของพวกท่านทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของธรรมะแล้วท่านทั้งหลายก็ถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นเนติแบบจากในการปฏิบัติธรรมะตอนถาอธิบายเรื่องนี้ก็ขอ กราบทูลให้ผู้เจ้าช่วยอธิบายชี้แจงให้เองท่านทั้งหลายเหานั้นก็ไม่ยอมตอบผูบ้เจ้าก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังเราจะแสดงจงเกี่ยผูหลงฟังแล้วกำหนดข้อความของเรานั้นก็แสดงว่ากิเลสประเภทราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายได้ช้า กิเลสประเภทโทสะนั้นมีโทษมากแต่คลายได้เร็วกิเลสประเภทโมหะนั้นมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วยหลังจากนั้นก็ตั้งประเด็นถามไปเรื่อยถึงเหตุเกิดของราคาโทสะโมหะแต่การเพิ่มขึ้นของราคาโทสะโมหะตลอดถึงเหตุลดเหตุ ด, ดับ ราคาโทสะโมหะการสอนธรรมะของพ ร, ธธ ร, ระพุทธเจ้านั้นโดยเ็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงวันนี้มีคนถามแนว น, นี้พระเยาจะส่งประรบแสดงขึ้นมาเองเพราะกระบวนการดังจิตสังเกตอาการของราคาโทสะโมหะเนี่ยมันก็ไม่มีใครสังเกตเลยนะ ไม่มีใครสังเกตว่าอะไรมีโทษมากมีโทษน้อยหรือคนบางคนไม่เคยดูตรงนี้ได้ทำไปตอนก่อนไปบรร ญ, ญาบรมทิสาไมีผู้ภาคษาสารนิกาท่านหนึ่งท่านท่านบอกว่าก่อนจ ะ, กะเกษียณเขาจะบวชแล้วก็จะอยู่เลยไปเลยคือจ ะ, กะเกษียณ น, นะท่านที่เป็นพระ อไอ้สิ่งที่สร้างความประทับใจใแก่ท่านก็คือการเรียนธรรมะในครั้งแรกไปเรียนจากหลวงพ่อพุทธทาสไปเรียนที่ปฏิจจสมุปบาทคือมาดูที่ตัวเราเองมาศึกษาที่ตัวที่อายตนะภายในยตนะภายนอกมาศึกษาที่เรื่องวิญญาณเรื่องสัมผัสเรื่องเวทนาเรื่องตัณหาที่มันเกิดขึ้นไปในใจเรา ตังแต่ บ, บอกแกไม่เคยคิดไม่เคยสังเกตไม่เคยศึกษามาโดจากการฟังการเรียนในครั้งนั้นมันก็ติดมีความเข้าใจสนใจระเบียดนี้ก็จเจริญกรรมถานหนังสือชุดเนี้ที่กลายมาเป็นหนังสือคู่มือมนุษย์เป็นคู่มือที่อบอรมพัฒนาในขณะนั้น มันเราเราจะเห็นว่าเราเราไม่เคยสังเกตภาษาสัมผัสเราตามปกติคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สังเกตภาษาสัมผัสว่ามันสร้างปัญหาอะไรให้บ้างสร้างทุกข์สร้างโทษอะไรให้บ้างหรือเป็นทางเกิดประโยชน์ยังไงบ้างเนี่ยมนนไม่นก็ไม่รู้จักใช้ภาษาสัมผัสเท่านั้นาการศึกษาในเรื่องเหล่านี้ที่จริงก็เป็นอาการทางภาษาสัมผัสแต่เป็นเรียกเรียกว่าธรรมารมือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจ นักบวชประเภทปริภาชกแต่วันก่อนเราพูดถึงสรารพะปริภาชกมานะฮะที่จริงพวกนี้เป็นธรรมวาทีเป็นกรรมวาทีเดี๋ยวถ้าเขาจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ก็บวชได้เลยนะฮะพวกปริภาชกเนี่แบบพวกภาษาดิบุตรอะบวชได้เลยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเพราะว่า ความคิดเราอ่านมันมันใกล้กับพุทธศาสนามามันได้เหมือนกับพวกอัญญาติฤาธีซึ่งซึ่งมีความเห็นที่ค่อนข้างแรงจะต้องตรวจสอบความระพฤติดู ก, กันเสียก่อนการสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในระหว่างศาสนา น, นี้มันมีเป็นปกติซึรเราจะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน เดีาศาสนาทั้งหลายโดยเฉพาะโดนักบวชในแต่ละาศาสนาคล้ายๆตั้งป้อมกั น, นคือไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยไม่เคยติดต่อไม่เคยสื่อสารไม่เคยไปมาหาสู่กันก็มีฮันยีที่สานสาา์สลามก็ไปเจอกับเจ้าคณะจังหวัดที่ยาลาไปเจอเ จ, อเจ้าหคณะจังหวัดแกถามมายัางไง ร, รู้ไหมแกถามไปไงลูกสบายดีแกนึกว่านักบวชในาศาสนาพูดในมีลูกเหมือนแกด้วย คือไม่รู้เรื่องกันเลยไม่รู้เรื่องกันเลยอันนี้คือจุดต่างจุดที่มันผิดพลาดแล้วแทนที่จะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของสังคมมันก็กลายเป็นนําไม่ได้ก็ปิดประตูล็อกตัวเองเอาไว้แต่ถ้าเราได้พบได้คุยอะไรกันเนี่ยนะฮะมาคุ้นคุณกันอยู่เยอะนะทั้งอิสลับทั้งคลิปทั้งซิกเนี่ยคุณกันอยู่เยอะ แล้พวกปะก็คุยกันแบบวิปรายปัญหาด้วยกันในใจจริงมก็หาความเข้าใจกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้แล้วก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งคือแทนที่จะไปตำหนิอะไรเขาเมื่อเขาถามเราเราก็อธิบายในวนี้พระเจ้าส่งวางไว้ให้พระไปอธิบายแต่พระท่านเก่งคือท่านจะไม่ค่อยตอบ ธรรมะที่ต้องอธิบายกับพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เคยตอบกันท่านจะขอผู้เจ้าอธิบายครับหรือบางทีพระพุทธเจ้าจงตั้งพระฐทัยที่จะให้ท่านเหล่านั้นคิดอธิบายต่อเนี่ยแต่ท่านจะไปหาผู้บริสุรธิบุตรประมากระยายนะอะไรให้อธิบายก็สแสดงว่าผู้ฟังนั้นเป็นปุถุชนหรือไม่ใช่เป็นพระยาบุคคล ธรรมะทั้งหลายนั้นท่านเชื่อถือว่าธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของธรรมะรางการอธิบายชี้แจงให้ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยมันก็พระพุทธเจ้าอธิบายเองดีกว่าและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นแบบเป็นเนติเป็นแบบอย่างการเคลื่อนไหวของพระองค์ก็เป็นแบบอย่างเป็นหลัก ถ้าเ่านั้นยึดถือพระพฤติปฏิบัติตามหมายความพระเจ้าปฏิบัติยังไงเราก็ปฏิบัติตามไปอย่างนั้น เ, เป็นการสะท้อนธรรมะจากตัวคนแล้วพระเจ้าก็ทรงยกย่องตัวอย่างนะยกย่องตัวอย่างคนดีพึงดูเป็นตัวอย่างในะสมัยพุทธกาลนะเช่นเช่นถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดูตัวอย่างมาซาลิบุตรพระโมคกขลานะเป็นแบบ ความการปฏิบัติทั้งปวงของท่านก็คือธรรมะที่มันเป็นรูปธรรมเราเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วทีนี้ถ้าเป็นอุบาสิกาก็ให้ดูนางขุชุตตรากาันันทมาตาดูเป็นแบบยึดถือท่านเป็นแบบใจทีนี้ถ้าเป็นอุบาสกก็ให้ดูท่านจิตตะเกลิมบดีกหัตกะอารุกะอุบาสกที่เคยเล่าเรื่องเรื่องของท่านไว้นะฮะ นี่หมายความว่าจริงๆท่านเหล่านั้นก็คือปฏิบัติธรรมะจนวิธีชีวิตการเคลื่อนไหวของท่านเป็นธรรมะไปแล้วเราถือตามปฏิบัติตามพูดตามท่านเดินตามท่านทำตามท่านคิดตามท่านเนี่ยมันถูกต้องหมดตัวท่านเป็นแบบเป็นเนติเป็นหลักก่อนแนวการสอนเรานี้บางอย่างที่สงสอนเรื่อง ไอ้ข้อาาสมคงบัณฑิตมันก็คือกันเนี่ยนะฮะข้อาาสมคงกับบัณฑิตเดี๋ให้เดินไปตามเดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วที่แสดงในไว้ไว้ในสาธุนนิธรรมคมือธรรมคนดีเพราะท่านเหล่านั้นก็ถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นเนติเป็นแบบจา้างในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นหลักทั้งในสอนทั้งในแนะทั้งในนำ พระเจ้าทรงนำทรงทรงแนะด้วยความสมบูรณ์ด้วยความรู้ทรงนำด้วยจรรยาด้วยความประพฤติข้อนี้ที่ทรงยกมาแสดงที่จริงเป็นลักษณะของจิตวิเคราะห์นะฮะเราจะเห็นว่าวิเคราะห์ดูจิตมานั่งดูจิตเราดูจิตตัวเองแทนที่จะดูจิตคนอื่นหเห็นว่ากิเลส ป, ประเภทรักะกับโลภะหรืออะไรก็ตามนะกิเลส ป, ประเภทคว้าเข้ามาหาเราะมันเรียกชื่อเยอะ ปุตันหากรรมตันหาเพราะว่าตันหาพวกกิเลสประเภทคว้าทั้งนั้นเนีนะฮะตจเจงกรรมตันหาเพราะวตันหาก็คือโลภะนะคือโลภะคือราคะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นตัวนี้พระตถาจารย์จนอธิบายดิถ้านอธิบายว่าพุทธพัญญูเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับพวกรูปเวทนาตัญญาตังขานุญาณซึ่งมันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวบัญญัติชื่อบัญญัติอาการแต่ไรนี่ใครยังไม่เคยพูดมันใกล้ๆก็พูดตรนี้ไปถามว่าข้าพระองค์เรียกชื่ อ, อยังไงนะพระเจ้าก็จะเรียกเพราะงั้ไอ้เรียกนี่สําคัญมากโดยเฉพาสิ่งที่เรียกมันมันเคลื่อนไหวได้พอเราฟังเราเข้าใจศัพท์แล้วเคลื่อนไหวได้ยังยกตัวอย่างเช่นว่ารูป สิーー่งอะไรก็ตามเนี่ยมันเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปเห็นไหมอะไรก็ตามมันจะเสื่อมสลายไปเลยเวทนาทำไมยังเรียกเวทนาเพราะว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเสวยเราจะต้องรู้มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆเป็นสิ่งที่บุคคลต้องเสวยยังเรียกว่าเวทนาทำไมยังเรียกสัญญาเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนจำจำได้ความจําันคือสัญญาเพราะงั้นสิ่งที่จํา แล้วก็เรียกสิ่งที่จํำนะ่ะสิ่งที่จิตมันไปจนะําน่ะว่าสัญญาทำไมจะเรียกสังขารเพราะมันเกิดขึ้นมาปรุงพอเรานึกสั ง, สงขาปรปั๊บเราก็นึกออกว่ารูปร่างมันเป็นยังไงเพราะมันเกิดมาปรุงปรุงแต่งจิตเราให้เปลี่ยนแปลงไปดีบ้างไม่ดีบ้า ง, ลงกลางๆบ้าง เพราะเราเห็นว่าเมตตามันก็เป็นสังขารปัญญาก็เป็นสังขารความโกรธก็เป็นสังขารความริษยาก็เป็นสังขารมันมันสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตมันมันแทนที่จะเกิดขึ้นโดยลำพังมาทําให้จิตรบเรียรเมตตาเกิดที่จิตจิตก็มีเมตตาก็ได้จิตเมตตาความริษยาเกิดจิตมันก็เป็นริษยามันก็เหมือนกับอะไรมันก็เอาเราของไมาใส่ในแก้วน้ําแก้วน้าเมื่อที่จิ้มก็แก้วน้า เอาเหล้าไปใส่ก็แก้วเหล้าน้ำชาไปใส่กแก้วน้ำชาน้ำหวานไปใส่กแก้วน้ำหวานก็ใส่ได้สารพัดใจเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นทิงตอนนี้ท่านบินรียกว่าเป็นสังขารแล้วความรู้แจ้งรู้พิเศษก็เรียกว่าวิญญาณก็ผ่านมาทางปธาษธรรมพันธ์เพราะเราจะเห็นว่าชื่อจึงเป็นสิ่งบัญญัติแต่ไม่ใช่บัญญัติธรรมดา มันบัญญัติจากอาการคือเรียกจากอาการของมันยังอุเบกขาอุเวขาเนี่ยแปลว่าอุปาอิฆะอุาอปาแปลว่าเข้าไปใกล้มันอิฆะแปลว่าตาตานะฮะคือดูก้าไปเพ่งดูดูใกล้ๆดูใกล้ใเหมือนเหมือนกับเราเหมือนกับเราให้ลูกหลานไปเดินเนี่ยนะเราก็ดูอยู่กันนะ่ดูก็ดูดูด้วยอุเบกขา เห็นแกเดินได้เก็ดูตามไปเด็กแกวิ่งเราก็ตามไปแต่ว่าพราบจะกรุณาแต่เด็กจะหกลม้มก็วิ่งมาช่วยตรงนี้มันทําอะไรไม่ได้มันไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเพราะเพราะเด็กมันเดินอยู่อะ่กะก็เดินก็รู้สึกเราค่อยมั่นใจกับแกคล่คองอะ่ะแล้วก็ ก, ก็ดูแต่ว่าดูตามตามดูไปเรื่อยๆตามไปพอเด็กจะหกลม้มก็วิ่งเข้าไปประคองไว้ก็ด้วยกรุณาคือไม่ใช่เบียคาอยู่เลื่อยแต่เบียคาเราจะเห็นว่าตรงนั้นไม่ต้องทําอะไรเพราะถ้าทําแล้วก็ยุ่งนะ บางทีลูกหลานสี่ห้าขวบเราอุ้มมันไปอุ้มมันมาขาอ่อนเลยเดินไม่ได้เพราะงั้นตรงนี้เราก็ดูเฉยๆแต่ไม่ใช่เฉยๆซื่อบื้อ น, นะมันก็เฉยอย่างที่มีปัญญาพิจารณาตามไปด้วยเห็นทักษทาเซ่ๆถ้าถ้าจะล้มถ้าจะไม่ไหวก็ต้องท่าไปช่วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติทรงสแสดงทรงบัญญัติทรงสแสดงเอาไว้แต่เป็นการสะท้อนอากาศของมัน ราคาเองก็เป็นชื่อที่ถูกเรียกเพราะอะไรเพราะมันมันมันยอมมันเกิดขึ้นแล้วมันยอมยอมธ่รมจะคือคนที่เฉยๆสิ่งเฉยๆเนี่ยเพราะเราเกิดชอบขึ้นมาใจมันจะถูกยอมด้วยความชอบด้วยความรักด้วยความปรารถนาด้วยความต้องการมันยอมเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เลื้อยเจียใจมันก็เลื้อยไปเรื่อยๆแล้วมันยอมแล้วมันติดเมือนก็สีที่ยอมผ้าเนี่ยมันติด นความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาต้องการที่มันอยู่ภายในใจตั้งนานนะฮะตั้งแต่เด็กๆจนแก่จนเฒ่าไปแล้วมันก็ยังอยู่เแสดงว่ามันย้อมมันติดมันก็สีที่มันติดอยู่ภายในใจเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเรามันเกิดขึ้นจาก สองส่วนนะเชื้อภายในเราคือการมาธาตุคือเชื้อของความใคร่พอใจในสิ่งนั้นต้องมีอยู่ก่อนแล้วก็สิ่งนั้นเราให้ความสําคัญเรากําหนดว่ามันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพวกราคะพวกโลภะพวกตัณหาพวกปรารถนาอะไรต่รงตางๆจะเกิดขึ้นก็นนแล้วแต่จะเรียกผการเรียกที่จริงเรียกตามอาการแต่บรนแรงมากหรือแรงน้อย ชื่อแต่ละชื่อที่เราจะเห็นภาพจเจนภาพพาันภาษาบาลีถ้าถ้าเราเข้าใจนะฮะถ้าเราเข้าใจศึกษาดูซึ้งนี่มันซึ้งนะฮะมันซึ้งมากเลยแล้วถ้าถ้าเรารู้จริงๆคืออ่านตัวบาลีนี่มันซึ้งกว่าอ่านตัวภาษาไทยพระภาษาไทยไม่ค่อยซึ้งแต่ไหนเพราะเวลาเวลาเขาแปลนี่เราไม่เห็นสับแต่ถ้าเห็นตัวบาลีแล้วจะจะรู้สึกมันซึ้งมะ เป็นคำที่บัญญัติแสดงไว้สวยงามทีนี้ปัญหาว่าพวกราคะนี่มันมีโทษมากไม่ใช่โทษไม่มากฮะโทษไม่มากเพราะว่าเป็นกิเลสประเภทประเภททนุถนอมกระจุมก็จิ ม, จมดูแลประคบประงมไม่ทำลายนะฮะราคะนี่ไม่ทำลายนอกจากมันจะเกิดโทสะผสมคือยื้อแย่งเช่นเด็กแย่งตุ๊กตากันเนี่ย แลียงตุ๊กตาบางคนตัง้งใอยากได้ตุ๊กตาตัวเดียวแย่งกันไปแย่งมามันเกิดโทสะฉันไม่ได้เธอก็ต้องไม่ได้เลยก็ควัดตุ๊กตาไยเลยเลยไม่ได้ทั้งคู่เห็นไหมจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตัวโลภะตัวรากะแต่ว่าพอมันไม่ไม่สมปรารถนานี้จะกลายเป็นโทสะการการทําลายจึงไม่ทําลายไม่ใช่ทําลายด้วยราคะแต่เป็นการทําลายด้วยโทสะเป็นการทําลายด้วยโทสะ พวกนี้จะไม่ทำลายเพราะจริงๆอาการเขาคล้ายๆกับเมตานั่นแหละคล้ยคยายกับเมตตาเพียงแต่ว่าเมตตาจะมีความเป็นสากลกว่าพวกราคะนั้นจะมองไปที่ความสวยงามในเป็นหลักถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงราคะมันจะลดลงไปแต่เมตตาไม่นะฮะเมต่ายิ่งเปลี่ยนแปลงยิย่งเกิดเมตตามากแล้วถ้าเขาสุดโซมลงไปจะเกิดกรุณามาจิตมันจะวิ่งเข้ากดกระแสรธรรมะพุทธานาจึงไม่ค่อยสอนเรื่องราคา ไม่ก็สอนเรื่องความรักไม่สอนเรื่องราคะไม่สอนเรื่องโลภะนะฮะก็สอนก็สอนคุมมันผมไม่ต้องสอนก็เยอะอยู่แล้วท่านบอกว่าตัวโทษเนี่ยมันจะมีอยู่สองโทษเขาเรียกว่าเป็นโลกวัชชะไอ้คำว่าโลกวัชชะนี่รู้สึกว่าเป็นคำได้ยุ่งยุ่งคือคำว่าโลกวัชชะมันไปคู่กับคำคำหนึ่งก็เรียกปัณติวัชชะ อันละหลายดูศีลนะดูศีลแปดก็ได้ดกันนะหรือศีลแปดเนี่ยศีลแปดท่านจะเห็นว่าสี่ข้อแรกนะฮะสี่ข้อแรกปานาตินาการเมมุสาเนี่ยฮะมันเป็นโล ก, กวัชชะเป็นความผิดทั่วทั้งโลกหมายความว่าใครทําก็ตามก็ผิดแต่สุราไม่แน่นะสุราไม่แน่ก็แล้วแต่บางท้องถิ่นบางที่บางสังคมมันไม่เป็นไม่ผิดทั่วโลก แล้วกินข้าวเย็นหลูพรั่นรำกับร้อมาคุณทิศไอ้ น, นี่ไอ้อ้ น, น, อ น, นี้ไม่ได้หลวกกับวัตชะนะฮะไม่ได้เป็นความผิดทั่วโลกได้เป็นความผิดเฉพาะกลุ่มคนซึ่งตั้งใจสมาทานศีลเหล่านี้แล้วถ้าท่านเกิดไปกินข้าวเย็นข้าวนะฮะท่านก็ผิดในส่วนตัวท่านเรียกปัณนนติวัตชะมันผิดตามบทบัญญัติของศีลที่คนเหล่านั้นรักษาไม่ใช่ว่าผิดสมัครชาวพุทธทุกคนชาวพุทธก็ไม่ใช่ทุกคน จะพูดก็เอาเฉพาะคนที่รักษาสินโบสดขึ้นไปนะฮะขึ้นไปสินโบสดศินแปดอ่ะสินสามเดนสินสิมมนพระอะไรอะไะขึ้นไปเนี่ยนะะแต่ละแต่ละจุดตรงนี้ก็จะห้ามเลิกกินข้าเย็นไว้ทั้งหมดงดเว้นการรับประทานอาหารในเวลาวิการทั้งหมดเพราะฉะนั้นเฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้นคนกลุ่มอื่นไม่เกี่ยวะจะไม่ผิดอะไรเขาเรียกปัจนัติวัชชา นี่ในย่าหนึ่งนะในย่าหนึ่งทีนี้อีกในย่าหนึ่งตรงนี้ท่านท่านท่า น, านไม่พูดอย่างนั้นท่านผูดว่าโลกกวัาชากับวิปากวัชชาคำว่โลกกวัาชาหมายความเป็นความผิดที่ประจักษ์ในโลกนี้เห็นกันจะ จ, ะจะในแง่ของสังคมในแง่ของการเมืองในแง่ของกำหดธรรมเนียมประเพณีในแง่ของรัฐที่ศาสนา นะในแง่ของกฎหมายเลยรแต่ก็เยอะนะฮะเราจะเห็นว่าแรงราคาเนี่ยมั น, ม, นมันเป็นเหตุให้ผิดอะไรได้อีกเยอะผิดศีลธรรมนั่นแน่นอนนะบางอย่างเนี่ยมันล้ําไปจนถึงผิดกฎหมายราคาจัดมามันก็ผิดกฎหมายแล้วก็แรงขึ้นอาจจะผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งสังคมนะกระทบกระทือนต่อสังคมก็แล้วแตม่มันจะแรงขนาดไหน แล้วก็เป็นวิบากวัชชคือมันมีวิบากเป็นผลที่จะสร้างขึ้นมาเป็นตัวเหตุแห่งความทุกข์ที่เคยเล่าเรื่องสองกลุ่มนะฮะก็ก็ยกยกตัวอย่างทั้งผู้ชายผู้หญิง้ลยกันนะมีอะไรล่ะสามีพันยาคูณหนึ่งเป็นประวัติพระอรหันต์ในยุคนั้นนะ อะาเรียกพันยาปัญญาไปได้เสียกันน้องของสามีนะฮะแล้วสองคนนั้นก็วางแผนที่จะฆ่าสามีคือฆ่าพี่ชายไอ้น้องชายเมื่อก่อนมันก็ไม่กล้าละแต่ว่าผู้หญิงก็อ่อนบอนขอร้องข่มกูคุกคามเยื่เรื่อยบ่อยๆเข้าใจมันก็ถูกยกกลอนวันไว้ต่อมาก็ ผู้ญิงก็แนะนําให้น้องสามีเนี่ยเหยียบมีดไปแล้วก็ตัดคอสามีตัวเองให้ตายแล้วก็หาวิธีคือคือคือแสดงความรักความ ห, งห่งยัยว่าต้องการจะสะผมให้ดูผมที่ผมผ ม, ผมสกปรกก็สาผมให้จะเห็นว่าแล้วก็หาอะไรเรียกสาดด้วยมะขามป้อมเหมือนมะขามป้อมสาผมได้ <laughs> สมัยโบราณเนี่ยเขาสาผมด้วยมะขามป้อม ก็ให้มาขามป้อมไปแล้วก็ให้ไปสระผมที่ที่ผ้าน้ําอันนี้ก็ก้มสระผมอยู่นี่นอนสามีก็ออกมกควันตายแต่ไหนอันนี้ขนาดสระผมเนี่ยมันใจเป็นผูกพันกับพัญญาโอ้มันดีเหลือเกินเนี่ยพันบัญญาขระนาดดูแลตั้งแต่หัวมาเลยนะะมันก็ตายแล้วไอ้จิตที่มันประหวัอยู่นี่มันก็กลายมาเป็นงูเขียวที่บ้านเกิดเป็นงูเขียวอยู่ที่บ้านนั่นเองพราปัญญาอยู่ที่ไหนงูเขียวมันก็หล่นเลยมาเรืย ผู้หญิงก็ชักสงสัยสงสัยว่าเปสามีเลขาตายฆ่างูเขียวตายแต่ถึงงูเขียวเหล่านั้นจะไปเกิดในที่อื่นปรากฏว่ามาเกิดเป็นเป็นสุนัขเกิดเป็นสุนัขในบ้านเอาตามอีกตามปัญญาไปไหนก็ตามปลูกฝันไปเรื่อยคนมันก็ล้อปลานุนักออกแล้วผ่านนะไปไหนก็มีมีสุนัขตามเขก็โกรธก็ฆ่าตาย ไอ้ใจที่ยังผูกพันมันเกิดเป็นโคอยู่ที่นั่นอีกละเป็นลูกโคก็ตามผู้หญิงคนนั้นไปไหนก็ตามไปเลยแกก็หาทางผลักโคโตเกียวตายใจที่ยังผูกพันมาเกิดในคันของผู้หญิงคนนั้นสี่ชาตินะจะเห็นว่าใจที่มันผูกพันเนี่ยผูกพันด้วยความน่าความรักในผูกพันอยู่ทั้งสี่ชาติ พอเกิดมาถึงเราลึกชาติได้อู้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แม่นี่ศัตรูหรือฆ่าเรามาตั้งสามชาติแล้วสี่ชาติสี่ชาติแล้วฮะฆ่าชาติที่เป็นคนชาติที่เป็นงูชาติที่เป็นสุนัขชาติที่เป็นโคอ่ะอันนี้มันชาติที่ห้าแหละมาเกิดเป็นคนนี่มันชาติที่ห้าเลยเลยเลยไอความกลัวนี่มันฝังกลัวถูกฆ่า แม่จับไม่ได้เลยทีนี้แม่จับไม่ได้คนที่จับเด็กคนนี้ได้คนเดียวคือตาตาก็คือพ่อตากเกันคนพ่อตาแกในชาติโน้นเลยนะฮะชาติชากก่อนโน้นย้อนไปตัวลุงก็ตาก็เลี้ยงมาจนโตแล้วก็สอบถามต่อมาหลานโตขึ้นมาถามว่าทำไมแม่จับไม่ได้ทำไมจะร้องให้แก๋ก็เล่าฟังว่าคนนี้ไม่ใช่แม่นะ่ะเป็นศัตรูที่ฆ่าผมมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เล่าประวัติให้ฟัง ปาก็สลดใจลูกสาวตัวเองไม่ ม, ม, ม, มหารูกโสดขนาดนั้นโอ้ยพอเราจะอยู่เลยอ ย, อยู่ไม่ได้แล้วก็ชวนกันไปบวชนะคนหนึ่งก็บวชเนืองคนหนึ่งบวชพระบรรลุมรรคผลเป็นพระรหันหมดทั้งคู่ตรงนี้ท่านท่านท่านทานั้งหลายเห็นว่าท่านต้องการสอนวราคะมันเป็นวิบากเขาเรียกว่าเป็นวิปากวัชชะคือคือมันเป็นเป็นโทษที่เป็นวิบาก มันพอมาตายไปแล้วยังติดอยู่ติดอยู่ก็แนวอะไรอะฮะแนวที่มันออกมาในรูเขาเรียกว่าภุเภสันนิวาสคือคนที่เคยเป็นสามีปัญญาการผูกพันเนื้อยาการมาเป็นก็ อ, อย่างงั้นแหะนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องนะคกุลลมานดานะคกุลลปิดาที่รู้เจ้าเล่าว่าคนเนี้ยก็เป็นคู่สามีพัญญากาันแล้วกเกี่ยวข้องกับพระองค์พันห้าร้อยชาติพันห้าร้อยชาติต่อกันไป นั่น ค, คือแสดงถึงอาการของของกิเลสประเภทรักครและแม้แต่โลภะมันก็มีมอย่างนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าตัวอย่างที่ท่านเล่าเช่นว่าตายไปแล้วเป็นปู่โสมเป็นเฝ้ากุ้มครับอยู่หรือว่าปลูกอ้อยเอาไว้ยังไม่ได้กินแล้วตัวเองก็ตายจิตก็เสียดายอ้อยก็เกิดเป็นหนอนในอ้อยหรือว่าที่เคยเล่าเรื่องพระท่าน เย็บจีวรใหม่และกินอาหารไม่ย่อยเกิดตายเสียดายยังไม่ได้หมจีวรเกิดเป็นเลนในจีวรเลยนี่เห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าปีวิปากวัชชะมันมันมันเป็นโทษชีตที่เป็นมีบากคือตามก็ไปในชาติหลังในชา ต, ต, ติต่อไปก็ไม่รู้จะไม่รู้จะกี่ชาติหรือว่าที่เคยเล่าเรื่องเปรตเรื่องคาถาเปรตนะฮนะที่บอกทุสะนะโสูติพระเจ้าเล่าถึงอดีตบุรุษ ในสมัยพระมาศ ก, กัสสะปะสมาพุธเจ้ามาความหนึ่งพุทธันดอนที่แล้วมา น, นะฮะมีรูกเศรษฐีสี่คนได้รับมรดกมหาศาลจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ทำมาหากินอะไรก็ปรุนปลือํารุงมเลอตัวเองด้วยเรื่องของเพศนะพ อ, พอใจผู้หญิงคนไหนก็ไปเสื้อหามาไปจ้างมาไปอะไรอะไรเนี่ยไม่ดูลูกของเมียใครใก็ตายไปเกิดในนรก เราหักลุมพีนระกพุทธันดอนหนึ่งไงนะพุทธันดอนหนึ่งแล้วตอนนั้นพระเจ้าประเสนิโกศลก็กำลังไปชอบใจเมียกับชาวบ้านกำลังวางแผนจะฆ่าผัวก็เพื่อจะเอาเมียนะพอดีนอนไม่หลับคืนนั้น mm hmm. ก็ได้ยินเสียงเปรตแล้วเกิดตกใจเสียงเปรตก็จนถึงทําพิธีบูชาไหนนี่ก็เรื่องยาวนะที่ถ้าเกิดเล่ามาแล้วเนะี่ยแต่ประเด็นที่ต้องการเชื่้เห็นว่าโทษที่มันเกิดจากราคะ คนเหล่นี้ที่มันเกิดจากักครัสร้างปัญหาในสมัยที่คนเหล่านั้นมีชีวิตไว้มากมายกายกองแล้วพอตัวเองตายไปแล้วก็ไปเจอผลของหลักครัที่เคยทำเอาไว้ก็คือตกนรกอันนี้แรงนะฮะตกนรกโลหะกุมกีนรกแต่ว่าแกก็คงไม่ทําอย่างเดียวไม่ใช่ราคะอย่างเดียวนะฮะทั้งโทสะทั้งโมหะแต่อาการนี้ชัดที่เราเห็นว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของหลักครั มันแสดงว่าโทษโทษมันไม่แรงหรอกแต่มันคลายชา้าโบกตกนรกโลหะกุมภีไม่แรง ม, ม, มันมันมีนรกที่แรงกว่านั้นนะนรกที่แรงกว่านั้นเอเวจีมานารกเป็นวัตตะไอหลักต่องวัตตะมันไม่ถึงตกขนาดนั้นเพราะว่ากิเลสแต่ว่ามันมันไม่ค่อยเพียวนะกิเลสมันไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เกิดต่อกันไปทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะ ก่อนจะดับจีก็ดับโดยกิเลสอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่สรุปว่าตรงนี้เป็นการเชื่อหเห็นกิเลสประเภทราาักขะประเภทโลภะประเภทตัณหาอะไรก็ตอะไรก็ตามนะที่ทำอะไรไปตามอมาหนาของกิเลสตหล น, นั้นแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะเราอาจจะยกตัวอย่างไอ้สอบปอ401ก็ได้นะฮะ เมื่อคืนในข่าวเล็กๆนะแต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าที่จังหวัดแพร่มีพ่อเลี้ยงคนหนึ่งที่ไปพุบพื้นที่เอาไว้ถึงพันกว่าไร่แล้วคืนให้ราชการไม่เอาเพื่อเอามาจัดสรรให้ราชสตรเห็นไหมฮะโลภะมันลดโลภะมันลดลงไป แต่ที่ภูเก็ตไม่ยอมปล่อยนะฮะปล่อยอยังถ้งเอาไว้ชิ้นหนึ่งเลยก็เกิดปนันานี่เราเห็นในชัดเลยนะเห็นในชัดมาวันนี้คือโลภะมันทอดมันไม่มากหรอกแต่มันคลายยากมันคลายยากที่ดินของเราของเรานะฮะก็กลายเป็นของเราแต่ถ้าพอคลายได้แล้วมันดีพอคลายได้ยันจะดีเพราะอะไรเพราะว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นสมบัตินอกกายสิ่งที่เราคว้าได้มาเป็นสมบัตินอกกายทั้งหมดพอ ร, ราคว้าได้เป็นไรฮะเราใจว่ามันก็คือฐานผู้คลายตรงนี้ลงไปได้มันก็คือฐานคือการเสียสละคือการเ อ, อื้อเฟื้อคือการทรงเคราะห์คือการสำรวมรวมแล้วตรงตรงนี้พระตถ า, าจารย์ท่านบอกเอาไว้ว่าไม่มีการตกนรกเพราะสาธารณสันโดษ หรือว่าปฏิวัติหมายความว่าไม่มีใครตกนรกเพราะว่าจงรักภักดีต่อสามีหรือว่าไม่นอกใจสามีเนี่ยไม่มีใครตกนรกเพราะเรื่อ ง, งนั้นเนี้เพราะพวกนี้คือบุญกุศลที่ปิดประตูนรกได้แต่ถ้าตกก็ตกเรื่องอื่นนะเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องบุญกุศลไม่ใช่เป็ น, นเหตุให้คณตกนรกประการต่อไปโทสะนั้นมีโทษแรงแต่หายเร็ว โทษะเป็นกิเลสเราสังเกตว่ามันมันมันเกิดแรงมากผ้าบูบขึ้นมาเนี่ยทำอะไรได้หมดทำอะไรได้หมดเอามาก็เช็คถามไปที่ที่เกิดเหตุที่ปากพนังนะถามว่ามันเรื่องอะไรทำไมไปทำาปอย่างนั้นก็เรียกว่ามันมันมันบูบขึ้นมา มันวูบขึ้นมาเกิดมามันมันไอจ้จากคำด่าเลยนะคำดา่าคำว่าอาจารย์เขาเขวูบขึ้นมาเนี่ยวูบขึ้นมาที่จริงที่จริ ง, รงถ้าหยุดเขาตรงนั้นได้เรื่องราวต่างๆมันไม่เกิดต่อแต่วูบตัวเนี้ยคนคนฆ่าคนมาเยอะนะฮะนั่นคือโทษะตรงนี้ถ้าเราหยุดเขาได้จะสองสามนาทีแต่นั่นเองหยุดไว้ได้สองสามนาทีแล้วค่อยๆปลอบค่อยๆให้เหตุผลมันมันไม่ทํำหรอก กิเลสประเภทโทสะเราจึงมีวิธีแก้วิธีนับหนึ่งถึงสิบวิธีนับหนึ่งถึงร้อยวิธีอะไรแต่ไรเนี่ยนะและมันจะลดโทสะลงไปพราโทสะปนที่ตัวคนโด ท, ทีีตัวคนแต่โลภะมันไปไปคว้าในทางวัตถุราคะไปทั้งตัวคนทั้งสิ่งของนะฮะจึงจึงจึงเป็นกิเลสที่คลายได้ยากแต่ว่า โทษะนั้นนั้นจะค่ายได้เร็วเพียงแต่ว่าโทษมันแรงคือถ้าเราทำอะไรไปตามมโานของมันแล้วฆ่าพอ่อฆ่าแม่ได้นะเราเห็นว่าฆ่าพอ่อฆ่าแม่ได้เลยไม่มีใครฆ่าพราะโลภะหรอกฆ่ า, าโทษะดังนั้นเป็นกิเลส ท, ที่ทรงสอนให้มองว่าเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายก็มีโทษมาก บางทีช่ววูบของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นก็ทําให้คนตกนรกได้บางทางที่ถาหากว่าหยุดสักหน่อยอะอยู่จากข้ามใจสักหน่อยบางครไม่คงไม่แรงขนาดนั้นทีนี้โมหะนั้นมีโทษมากกับสุดๆนะโมหะบันก็มันมาลากงาของกิเลสมันพวูกอวิชชาสุดยอดของกิเลสก็คือโมหะมีโทษมากแล้วก็คลายช้า ผู้มิชฉาทิฏฐิ ท, ทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นโมฆะและเราเคยพูดเรื่องมิจฉาทิฏฐิสามข้อที่ปฏิเสธเรื่องกรรมปฏิเสธเรื่องผลของกรรมปฏิเสธึงทั้งหลายความดีทั้งหลายเนี่ยไม่มีหมดเลยเนี่ยถือว่าเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิที่แรงพวกนี้จะก็เรียกว่าตักขานุคือคือมันเป็นยังไงก็เป็นยังไงเนี่ยไม่มีความเจริญไม่มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่โทษมากแล้วก็คลายได้ช้าธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาถ้าเราดูให้ดีนะฮะดูให้ดีในอริยมรรคมีองค์แปดจะเริ่มในสมาธิติท่านลางาังตาท่านหลายลองลองสังเกตเริ่มในสมาธิติสมาธิติมันไปนแก้อะไรอะมันเป็นปัญญามันไปนขจัดตัวโมหพะพอพอขจัดโมหะได้โลภภาพมันก็ลดทุกข์มันก็ลดราคามันก็ลดนะมันก็ลดเองมันนะ แกตรงนี้ได้คนเรามีเหตุมีผลลองดูสังเกตอย่างนี้กันแล้วกันดูจิตเราว่านะฮะดูจิตเราว่าเช่นเช่นสมมุติว่าตรงนี้เราเราอยากได้มากเดินไปเจอกับไปเจอกระเปา๋าใส่ใบละพันเต็มกระเปา๋าย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ไม่ต้อรงนี้ถ้าโลภะมันนําแล้วนี่เอาเลยนะฮะเอาไปเล ย, เลยแต่ถ้าถ้ามันเกิดมีปัญญาขึ้นมาเนี่ย มันจะเกิดความคิดเอ้ยนี่มันของของของคนอื่นนะเอาไม่ได้ปรเดี๋ยวก็ติดคุกหรอเห็นไหมฮะมันไม่เอาอะถ้าปัญญามีเหตุผลมากกว่านั้นเกิดสงสารต่อเจ้าของทรัพย์หรือต้องการอยากอยา ก, อยากจะทำความดีอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะให้หนังสือพิมพ์ลงอะไรก็ได้นะฮะเอาไปสืบหาเจ้าของหรือเอาไปมอบหมายเจ้าหน้าที่เขา ตรงนี้เราจะเห็นว่าโรภาพมันถูกลดลงไปเพราะเหตุผลมันเข้ามาปัญญามันเข้ามาแก้ทำให้เรารู้จักคิดจนถึงกับควรขายไปหาให้เจ้าของก็เลยควรขายหาเจ้าของก็เลยอย่างที่เคยเล่าเรื่องว่าเด็กลูกคนขายขนมจากที่ส ม, มุดประการที่แก่พวกเงินที่วัดเบนจมาศสี่หมื่นหลายปีมาแล้วนะยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ย คือมาชอบตัวความคิดเนี่ยชอบตัวความคิดแคก่คิดประโยคเดียวแล้วไงแม่สอนเอาไว้ว่าให้เห็นเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษถือคําสอนเขาแม่คําเดียวนะฮะให้เห็นเห็นเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษเก่ไม่เอานะตามหาเจ้าของก็ไปคืนให้เจ้าของเขาแต่คงเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วประเด็กเด็กนี้มันตอนนั้นก็เรียนมัธยม นี่คือคือสิ่งที่ดูตัวตัวอย่างเราเห็นว่าพฤติกรรมทางจิตว่าโมหะมันลดลงไปเหตุผลน ต, ติปัญญามันเกิดขึ้นหรือแม้แต่เราจะเกิดความโกรธขึ้นมาโกรธ ถ, ถึงจะฆ่าเลยมันมคิดจะฆ่าในแรงมากเลยทีนี้ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเหตุผลโมหะมันลดลงไปมาถามมาฆ่าใครฆ่านายกอฆ่านายกอฆ่าเพราะอะไรฆ่าเพราะอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้น แล้วถ้าตั้งเราตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยเขาจะตายหรือเปล่าเราฆ่าให้ตายนะอยากจะฆ่าให้ตายทีนี้ถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยเขาจะตายหรือเปล่ า, าก็ตายเหมือนกันปัญญามันก็เกิดขึ้นอา้าวแล้วก็ฆ่าทําไมอ่ะปล่อยมันตายเองดีกว่าปล่อยมันทุกข์ทรมานอย่างนี้นนะ่ะความเกิดมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะฮะความแก่ก็เป็นทุกข์ยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ปล่อยมันแก่อย่างนี้ดิแต่ที่จะฆ่ามันสบายเกินไป สบายเกินไปว่ายังไงแกก็ต้องตายอยู่แล้วปล่อยแกแกตายเราก็ไม่ต้องทำบาปนะแกก็ตายอย่างที่เราอยากให้ตายนี่คือปัญญามันเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นไปหยุดโทสะเอาไว้ได้หยุดโทสะเอาไว้โทสะนั้นพอลดลงไปเราจะทำอะไรไม่ได้พอลดลงไปะ ปัญหาสําคัญว่าไอตอนที่เขาแรงเนี่ยทํายังไงจะจะหยุดได้นะหรือว่าหลบไปก่อนเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่โกรธหรือใครโกรธขึ้นมาก็แรงๆเราก็หลบไปก่อนหลบไป ก, ก่อนก็เย็นๆกนะ็ว่ากันทีหลังก็คุยกันทีหละ่ะนี่ก็เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนตะที่จริงก็คือช่วยเหลือเราไม่ให้เพิ่มบาต ทีนี้การการศึกษานั้นทรงสอนในรูปจิตวิเคราะห์ช่วยมองว่าภายในใจเรามันมีเชื้อกิเลสจริงก็ไม่ได้ว่ากันแต่มันไม่ได้เกิดยี่สิบยี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนนานๆเร า, นน า, นาจะเกิดราคะมันจะเกิดอิเลเพอิ เ, เดกขะไปเรื่อยๆมันก็นานๆก็นนจะเกิดทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจะเป็นราคะหรือก็าตามโลภก็าตามนะอะไรก็าตามตัณหาอก็าตามเนี่ยพวกนี้มันเหมือนกัน ประเด็นสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความคิดสังกับปราโครบริสัทธกาโมความคิดหรือความดาริเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดราคะเหตุให้เกิดโทสะเหตุให้เกิดโมหะถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เกิดอะเราเพราะจริงๆสิ่งที่เกิดแต้เราสังเกตนะว่าสิ่งที่เกิดราคะนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตราคะจะเน้นไปในเรื่องเพศ แต่เราลองสังเกตว่ามีพระบรรลุมรรคผลเพราะว่าดูร่างกายเยอะเลยเป็นพระหานี่เพราะดูร่างกายที่สวยงามเนี่ยดูร่างกายกันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นที่เกิดราคาของคนทั้งหลายอย่างตัวอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางศิริมานั้นชัดมากเลยตัวนางศิริมาเนี่ยเป็นที่ปรารถนาต้องการของคนทั้งหลายขนาดว่าจองคิวกันเลยนะฮะเพื่อไปอยู่กับ น, นางศิริมา แต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่แบบโสเพณีนะฮะถ้า ต, ตามตํานานจริงๆไม่ใช่แบบโสเพนีแบบไปฟังเพลงแบบดีดพินอะไรแต่อะไรเนี่ยนะะคุยอะไรแต่นั้นเองทีนี้ถ้าถ้าเขาจะมีใครสักคนก็มีคนเดียวแต่นั้นเองมีคนเดียวจำเป็นเป็นตำแหน่งทางราชการเดี๋ยวสรุปว่าเป็นที่ต้องการกับคนทางไหน ก็เอาก็จริงพระรูปหนึ่งที่ไปหลงไหลครั่งคลายานางสิริมาตอนนั้นที่จริงท่านแก่แล้วนะท่านเป็นอุบาสิกาแล้วแต่อาศัยข่าวลือต่างๆในพระก็ปรุงแต่งออกมาจนพอนางสิริมาตายพระพุทธเจ้าก็สดนางสิริมาสอนพระรูปนี้บรรลุผลเป็นพระอาจารย์เห็นว่าหลงไหลคลั่งคลายารูปตัวนี้แหละแล้วพอรูปนี้แตกตับมันก็กลายเป็นครูสอนได้ กลาเป็นครูสอนได้ก็ทําให้ท่านบรรลุมรรคผลไปได้พณิอารมณ์ต้องกรรมฐานที่จริงทั้งหมดท่านทั้งหลายลองสังเกตดูที่จริงก็กคือวัตถุการมคือวัตถุการมด้วยคนใคร่คนปรารถนาคนพอใจคนต้องการโดยเฉพาะพวกกายกตาสติดูร่างกายพวกสุภาษกรรมฐานนะฮะในมาสติปฐานสี่พวกกายานุปัสสนาสติปฐานาพวกเวทนานุปสัสสนาสติเวทนานุปัสสติเวทนานุปัสสนาสติปฐานที่จริงก็คือการม การมาเป็นธรรมารมณ์เราเห็นว่าสวรรค์เรียเรียกว่าอารมณ์เลิศมันก็คือสุขเวทนามันมากมันก็เป็นกามอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ทําไมท่านเป็นอารมณ์มันกลับมาฐานได้แล้วแสดงว่าตัวการมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นฮะตรงนั้นมันเป็นกลางๆงปัญหาอยู่ที่การมองของคนเราว่าเรามองยังไงพระเจ้าก็ทรงบอกว่าให้ดูที่วราคะโลภะมันเกิดจาก การมองในแง่ของความสวยงามมองในแง่ของความสวยงามแล้วใจก็ปรุงแต่งปรุงคิดอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกว่าสวยว่างามซะมาเราอยู่เรื่อยๆนะสิ่งเหล่านั้ น, แ, น, นและใครจะอธิบายให้เหตุผลอะไรก็ไม่ยอมฟังเพราะงั้นถ้าจาบใดที่ใจกำหนดอย่างนี้มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางใจ ที่ส่งแสดงไว้ในย่าหนึ่งนี้เห็นได้ชัดมากสุภาโนประสิงวิหารต่างใจใครก็ตามที่อยู่ด้วยรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยนะสัมผัสน่าจับต้องต่อไปก็จะไม่สํมดวุลวางอินทรีย์คืออยากดูด้วยเพราะแกรู้สึกว่าสวยอยากฟังด้วยเพราะแกรู้สึกว่าไพเราะอยากดมด้วยเพราะแกรู้สึกว่าหอมอยากกินด้วยเพราะแกรู้สึกว่าอร่อยอยากจับต้องด้ว่ยเพราะแกรู้สึกว่าน่าจับต้อง ใจมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจเป็นอย่างนั้นพฤติกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นจะไม่สํารวมระวังอินทรีย์จะไขว่คว้าปรารถนาและในที่สุดจะเป็นยังไงโภจะนำหิอมัตัญยุกคือจะไม่รู้จักประมาณในการกินเห็นไหมอยากกินนั่นกินนั่นโอบ้บางทีก็ไม่มีอะไรนะพวกอาหารท่านหลายลองสังเกตอาหารที่จริงคืออาหารข น, นมทําไมต้องเล่นสีสารพัดสี มไม่ได้กินสีมันกินรสมานะแต่ว่าเราติดในรูปเราติดในสีเราติดในกลิ่นเราติดในรสเราติดในสัมผัสต้องหน้าจับหน้าต้องตรงหน้ากินจริงๆแล้วไม่เราพอเคี้ยวแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรรูปร่างทั้งหลายมันก็นเล่เล่มหมอเลยแก่นนี้คือคือแสดงมาเราบริโภคการมาคุณกามคุณนะั้นก็ถูกปรุงขึ้น ปรุมขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการกร็หลายๆด้านรสไม่อร่อยแต่มันมันมันชิ้นมันสีมันน่ารับประทานบางทีก็รสไม่อร่อยเท่าไหร่เออกลิ่นมันมันน่ารับประทานเราอาจจะพอใจกิดนนี่คือจริงๆก็คือวัดคือวัตถุ ก, การมเพราะฉั้นแนวแน ว, แนวพุทธศาสนาเราเชือว่าพระเจ้าจะสอนในแนวของการบันเทามรนมุท มองในการบริโภคอาหารแค่สมเ็จประโยชน์ไม่ติดใจในรายละเอียดไม่ติดใจในในรูปในกลิ่นในรสในสัมผัสของอาหารเหล่านั้นว่ามันสมเ็จประโยชน์ก็พอแล้วคือไม่ต้องไปติดใจมากเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาการมารค่ะแล้วเพื่อจะให้บรรเทามากมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นศีลศีลแปดข้างหลังนะฮะข้างหลังก้อหกเจ็ดข้แปดเราจะเห็นได้ชัดเลย เป็นการปิดกั้นกระแสอารมณ์ ม, มให้ไปเกี่ยวข้องอารมณ์ซึ่งปรุงแต่งกระตุ้นกามรมารักะเรามีเชื่อการกำหนดอยู่แล้วถ้าถูกกระตุ้นอีกมก็ไปกันใหญ่เวเนี้เราก็มาประรบเมื่อวานก็มีคนมาประรบเรื่องว่าจะแก้ปัญหาอะไรแต่ไรเนี่ยนะแต่มาว่ามันมันมันเราต้องยอมรับสภาพเร า, าเรารำเท่าที่เราทำได้มันไม่ใช่ไปแบกโลกเอาไว้ เพราะอะไรว่าเรามีโอกาสจะสอนจะพูดจะบรรยายธรรมะจะพูดธรรมะกับลูกหลานเนี่ยเอากับลูกหลานนี่แหละลองดูว่าลูกหลานนี่คุยกับเรามากกว่าหรือดูโทรทัศน์มากกว่าหรือดูคอนเสิร์ตมากกว่าอยู่กับเพื่อนมากกว่ามันมันมั น, ม, นมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วเราต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้ว่าหน้าที่เราก็ทําไปเมื่อก่อนเด็กมันเติบโตมาในมือของความรักปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอา พี่ๆก็ในในงวงศาขานายาิอ่ะเด็กมันเติบโตมาอย่างงี้ยนะมันอบูนแต่เวล น, นี้มันอยู่ในมือของนักธุรกิจเลี้ยงเด็กเห็น ไ, ไหมเวลาเนี้ยเขาเข า, เขางงานสร้างคนพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะก็เรียกอะไรผู้ช่วยผู้ช่วยแม่บ้านพี่เลี้ยงต่อไปนี่เขาเขาเขาเขาจะผิดคนพวกนี้ขึ้นมาจะมีพยาบาลคนแก่ต่อไปจะเป็นธุรกิจหมดไนงะ เตรียมเงินว่าอย่างเดียวตัเองเด็กก็เรียกด้วยเงินเห็นไมมันไม่ได้มีสายใหญ่ของความรักวันก่อนไ้มีข่าวอะไรแม่โทรศัพท์มาบอกพี่เลี้ยงบอกว่าเอาแอปเปิ้ลใส่ตู้เย็ น, น, นหน่อยลูกสาวชื่อแอปเปิ้ลลูกสาวชื่อแอปเปิ้ลคนใช้มาจากภาคอีสานไม่รู้จักแอปเปิ้ลจับลูกยัดตู้เย็นเลยก็ดูดูดิด ถ้พี่นาถบงสากันนาติพี่น้องมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันต้องคิดจะไปจับคนใส่ตู้เย็นได้ยังไงแล้วเขาก็โตมาด้วยกันเขาต้องรู้ว่าแอปเปิลคืออะไรแอปเปิลที่ให้แช่ตู้เย็นนี่คืออะไรมันไม่ใช่แอปเปิลลูกนะเอาลูกถาวแช่ตู้เย็นเพราะงัน้นปัญหาเหล่านี้เราต้องยอมรับสภาพว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้หรอก นะแต่ก็ให้ทำไปตามที่จะทำได้เต็มที่ตามความสามารถเราไม่จับคนมาปั้นได้ที่ไหนนะก็พูดจาชี้แจงอธิบายกันไปแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะอุเบกขานะพร้อมที่จะเป็นไปตามกระแสของกรรมไม่ต้องไปแบกโลกเอาไว้นี่ก็คือคือคือการการมองในแนวที่ให้เข้าถึงความจริง มันก็ลดนะฮะมันก็ลดลดลดกลิเลสลงไปการมองในแง่ความจริงท่านทางไหนลองสังเกตจริงๆก็คือปัญญาเห็นไหมฮก็คือปัญญานั่นเองพิจารณาเห็นความจริงที่เคยเล่ากฟังเด็กเด็กที่แกมานอนดูที่วัดเนี่ยกับท่านเจ้าคุณเทพแกไม่ไม่ไม่เล่นนะไม่ดูหนงังไม่ดูอะไรวันพระแล้วแต่งตัวชุดขาวมานอนวัด นอนวัดแต่งตัวจุดขาวไว้พระถวามนต์รักษาศีลนอนวัดอายุเก้าขวบเธอคิดยังไงเธอบอกว่าหนังมันดูอะไรมันฟีมันเลื่อนไปจะจะจะนไเฉยๆคืบบอฟีมันเลื่อนไปเฉยๆนะคนไม่ใช่เรื่องจริงแกบอกฟีมันเลื่อนไปเฉยๆแกคิดง่ายๆอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมมันก็เป็นเขาเองอ่ะก็เป็นเขาเองก็มีเหตุผลก็มีสติปัญญาเขาก็ไม่ตกไป็นทาสตัวสิ่งนั้ เราก็มีแค่ให้สติปัญญาแก่เขาก็คุ้มครองตัวเองได้นะฮะคุ้มครองตัวเองได้เพราะตรงนี้รูกเจ้าก็สอนในแนวที่ให้รู้ความจริงมันเกิดมันเกิดมาจากอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากเรามองด้วยความสวยงามไปกําหนดว่ามันสวยงามความใกล้ความปรารถนาความต้องการก็เกิดขึ้นทีนี้พอมันขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอราคาที่ยังไม่เกิดไม่ก็เกิดที่เกิดแล้วมันจะเพิ่มขึ้น แล้วก็นำไปสู่พฤติกรรมในลักษณะต่างๆทึ่มีความรุนแรงมากบางน้อยบ้างนะฮะอย่างที่เราพบเห็นกั น, นได้ประการต่อไปก็คือโทสะโทสะคำถามว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากปฏิฆะนิมิตหรือปฏิฆะสัญญาปฏิฆะคือมองในแง่ไม่ดีรูปนั้นไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีสัมผัสไม่ดีเกิดโทสะตแตงนั้นแนนะ เกิดโทสะแต่เนเกิดเกิดเรียปฏิฆะก่อนคือไม่พอใจไม่ต้องการไม่ยินดีไม่ชอบไม่อยากได้ไอ้ถ้าไม่อยากได้แล้วไม่ได้ไม่มีปัญหานะฮะแต่มันเกิดไม่อยากได้แล้วต้องได้ไม่อยากฟังต้องฟังไม่อยากดูต้องดูไม่อยากทาต้องทาไม่อยากกินต้องกินไม่อยากเอ่อดมต้องดมไม่อยากจับต้องอยางต้องต้องจับต้องอันนี้จะเกิดโทสะเพิ่มขึ้นเห็นไหมความรุนแรงมันก็เพิ่มขึ้นมา เพราะนั้นท่านก็สอนให้ดูว่าตรงนี้ถ้าเราไม่กําหนดโดยโทศสะนี่อะไรจะเกิดขึ้นไม่เกิดอ่ะไม่ไปเกิดแล้วก็เฉยๆจะก็จบเป็นแนวต่างๆที่ปล่อยไปเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวจ้างเขาเถอะไม่เป็นไรกำไยใครเกาะคนนั้นก็ับกลับไปนี่คือความคิดแบบไทยๆความคิดแบบไทยๆที่ทําให้ เราไม่ทำอย่างที่เขาทำถ้าเราทำก็ทำตรงเงื่อนไขของเขาทำอย่างถ้าถ้าไม่ทำก็เฉยเฉยก็จบโมหะนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรโมหะนั้นเกิดขึ้นมาจากอโยนิโสโมนัสการคือการขาดปัญญาการขาดความคิดนะฮะการขาดความคิดอย่างมีเหตุมีผลมีหลักในการวิจารณาเทียบเคียงในเรื่องเหล่านั้นซึ่งถ้าเรา ใช้ความคิ ด, ดเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจนะสิ่งดัางหลายเนี่ยเราจะเข้าใจขึ้นโดยลําดับไม่ใช่ว่าเข้าใจเต็มที่อะไรเป็จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นขึ้นไปโดยลําดับแต่มีข้อแม้ว่าต้องโยนโสมนสิการคือคิดโดยบายวิธีที่มีเหตุมีผลนะเพราะว่าคิดได้เกิดกิเลส ก, ก็ได้คิดได้เกิดธรรมะก็ได้อย่างที่ว่าเนี่ยที่บรรจัดโมหะได้นั้นเพราะว่าคิดอย่างมีเหตุมีผลในการคิด มีระบบในการคิดเพราะว่าโยนิสโสมนิการนั้นเป็นพวกปัญญานะแต่ว่าปัญญาไม่ใช่สมบูรณนะ์หอกเป็นปัญญาระดับเหมือนกับปลาทิศอุทัยขึ้นขจัดความมืดตอนสางๆตอนเช้านะฮตอนเชานะ้ชาเนี่ยโลกมันไม่สว่างสวยทั้งหมดหรอกสว่างสมัยทั้งหม ด, นะห ม, ดมันขึ้นมาบนข้างบนแนละ้วปราทิตย์ขึ้นมาข้างบนลนะเพราะว่าโยนิสโสมนิกานั้ก็เหมือนกับปัญญาปัญญาเป็นพวกแสงสว่าง คือการเพิ่มพูนแสงสว่างขึ้นไปแล้วอะไรก็ตามท่านหลายลองสังเกตว่าถ้าเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่เนี่ยนะโลภะเราจะลดมากเท่านั้นโทสะเราจะลดมากเท่านั้นพอรู้สมบูรณ์นี่โลภะโทสะมหะ ก, ก็หมดพอหมดเนี่จะเรียกว่าอะไรก็ได้ไอ้ลองสังเกตนะะว่าพระอาหารหันต์ท่านเรียกว่าวิราคาคือจิตมันปราศจากราคะ ก็คือปราติจักโทสะประาติจักโมหะแ ต, แ ต, แต่แต่ท่านไม่บอกปราติจักโมหะตอนนั้นท่านบอกปราติจักราคะแต่เพราะว่าราคะนั้นมันมาจากโทสะมาเอามั น, ม, น, ม, นมันมาจากโมหะโทสะผมก็มาจากโมหะมันก็แสดงว่าโมหะต้องหมดไปแล้วถ้าให้จิตใ จ, จท่านไม่มีราคะ ให้ลองสังเกตแม้ในชีวิตของเราเองอะไรก็ตามที่เรารู้เห็นทำความเปจริงเราไม่อยากนะไม่อยากแล้วก็ไม่โกรธด้วยไม่อยากไม่โกรธนะของเยอะแยะไปตางห้างสรรพสินค้าิยมเดินไปมีเยอะที่เราไม่อยากได้โฆษณาอะไรก็ไม่อยากได้ก็ดูผ่านๆ น, นะนะเออหนังสือโฆษณาซื้อพีม์นตีโฆษณาเ ป, ป็นปึ ng เลยไม่เคยเปิดดูเลยมันไม่มีความอยาก เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้บางอย่างเนี่ยเราเราเรเห็นว่าเราเรารู้ว่าเรามีความจำเป็นขนาดไหนหรือบางทีเราก็รู้ว่าเราเราไม่มีเงินที่จะไปดูดูก็เสียเวลาเปล่ารู้ก็ซื้อไม่ได้แล้วมันก็ตัดอะไรไปเรื่อยๆนี่คือคือปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปลดตัวโลภตัวโสดะลงไปประการต่อไปก็สงสั้มองว่า ไอ้อ้้พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะลดได้ยังไงลดได้โดยการมองในแง่ที่เป็นอสุพะคืออสุพะอสุภะนั้นที่จริงมันเป็นธรรมชาตินะนะฮะคือไม่สวยไม่งามในที่จริงมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของร่างกายของคนของสัตว์ทั้งหลายนั้นที่จริงเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย เพียงแต่ว่าโลกเรานั้นมีความคิดมีความจําหมายมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงที่ท่านเรียกว่าสุภวิปัลลานัคือไปมองเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงหมดเลยทั้งๆที่ว่าร่างกายเราร่างกายคนร่างกายสัตว์อะไรสิ่งของในโลกเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งสะสมกันนะมันก็เหมือนเหมือนอน า, าว่าฉากในในในในห้องส่งโทรทัศน์เนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะเราดูโอ้โหมันรวยจังไอเ้เศรษฐีตรงนี้มันจิงฉากมากอันเดีย อ, อะไรเงี้ยเป็นฉากมันทำขึ้นมาบางทีไม่ได้กั้นเลยจำไปไป่ได้กั้นเล้จำไ ป, ๆๆไปเราดูในรักวงละครเนี่ยนะมาไปออกโทรทัศน์บ่อยนั่นก็ไปเป็นยืนดูฉากอยู่เลยเออไอ้นี่มันหลอกชาวบ้านได้ดี <c oughs> หลอกชาวบ้านได้ดีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยอุ้งเอามาวางวางไ ว, ว, ว, ว้ น, นิดเดีย อ, อะไรเงี้ยนิดเดียอีกวางไว้แล้วโพสภาพขึ้นมา ภาพมันขยายอา่ะจับมุมมาไว้ตั้งมุมกล้องอด่ดียักยใายเปลี่ยนแปลงยังไงยังงจริงๆมีมีมุมนิดดียวไงบา ง, า ง, างทีเป็นลังเนี่ยฮะบางทีเป็นลังสามารถทีจะจั บ, บจับเอาได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าในจริงๆมันไม่มีอะไรถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปที่พระเจ้าสอนให้มองสังขารเมือนกอกกล้วยเนะี่ย มองสังขารมันก็กล้วยมองรูปเหมือนกับตอมน้ามองเวทนาเหมือนกับหยาดน้ำไม่ใช่มองรูปเหมือนฟองน้ำใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็มองเวทนาเหมือนกับตอมน้ำมองสัญญาเหมือนพยับแดดแล้วก็มองสังขารมันก็ก่อกล้วยมองวิญญาณมันก็ภาพมายาทั้งหลายมายากลทั้งหลายมันไม่จริงอนะ่ะ ไม่มีอะไรไไม่มีอะไรจริงที่เราเห็นว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไปรอดที่จริงไม่มีจริงไม่มีจริงโดยสภาพเราจะเห็นว่าเย็นจริงรอจริงนะหนาวจริงแต่ว่ารูปสวยจริงเนี่ยมันไม่มีเสียงไปรอดจริงก็ไม่มีขนาดนางงามจั ก, กรวาลประกาศไปแล้ว่ยังเสียงอย่าตายกรรมการจะตีกันตายคนดูยังตีกันคานเลยนะะเหมือนมันไม่ใช่สากล สิ่งตรงนี้ท่านจริงถือว่าไม่ใช่ตัวสัตว์จะทำไม่ใช่ความจริงที่แท้จริงแต่เป็นความจริงที่เป็นมายาเราปรุงกันขึ้นมาแล้วเราก็คิดเอาตรงนี้คิดให้โกรธมันก็โกรธนะคิดไม่โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็อยู่ที่ความคิดท่านบอกว่าก็อยู่ตรงตรงนี้คิดคิดได้ชอบนะคิดให้ชอบมันเกิดจากมองมองสวยงามพอคิดให้ไม่ใช่ไม่ชอบนะฮะ คิดให้รู้สึกเป็นปกติธรรมดาไม่จะคิดเวียงไปไปไปสุดคือว่าอยู่ในระดับระดับกลางๆนะอยู่ระดับกลา ง, นะร ง, ลางเราก็จะมองเห็นตามความจริงบางสิ่งเหลนั้นทีนี้โทสะที่เกิดขึ้นแล้วนี่ทำยังไงจะสงบ แล้วก็สอนให้มองในแง่เมตตาเจโตวิมุตติประยายเลยนะฮะหมายความว่าจิตหลุดพ้นจากความรู้สึกโกรธ ด, ด้วยเมตตาให้เราสังเกตว่าใครก็ตามที่เรามองในเมตตาได้นะฮะจะเป็นคนจะเป็นสัตว์นะคนสัตว์นะคนก็ัตว์นั้นเองสิ่งมีชีวิตเนี่ยเรามองในเมตตาไม่ใช่วัตถุสิ่งของนะวัตถุสิ่งของต้องมองด้วยอสาสวะ คือไม่สวยไม่งาม่าไม่อยากได้เพื่อลดความอยากได้แต่คนสัตว์เราจะมองในแง่ของเมตตาพอเราเมตต์เมตตาได้เนี่ยมันมันจะขจัดความความโกรธความอาฆาตพยาบาทแต่ในขณะเดียวกันตัในใจว่ามันขจัดราคาได้ด้วยเนีฮะขจัดราคาได้ด้วยเพราะถ้าใครก็ตามที่เรามีความเมตตารู้สึกเมตตาเราจะไม่คิดในแง่ของหลาาัก แต่จะมองในแง่ของเมตตาแต่ว่าเมตตาเจตมุตเป็นเรื่องใหญ่จิตหลุดพ้นจากอำนาจความรู้สึกเหล่านี้ด้วยเมตตากรรมควา ม, มต้องภาวนาเมตตาต้องเจริญเมตตาจะเรื่อยๆอยนะจนเมตตามีกำลังมากแต่ทีนี้มันมันพวกตัวเนี้ที่ยุ่งเนี่ยจะยุ่งมากก็คือว่าข้างนอกมันปรุงเราจะเห็นว่าข้างนอกมีอารมณ์ยั่ยกับอารมณ์รยยั่อย่ มันอดที่จะเกิดราคะเกิดโลภะไม่ เ, เกิดโทสะไม่ได้ถ้ามันปกติสมมติว่าคนปกติใคก็เดินมามาปกติเราไม่เกิดโทสะเดินเดินมถึงเจอป้าบเราด่าเราเลยด่าเลยว่าก็โทสะมันก็เกิดเพราะไปถูกกระตุ้นข้าวให้เราสังเกตถ้าปกติแล้วมันมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกทีนี้สังคมมันไม่ปกติสังคมก็เรียกวิสมา ค, คือไม่เสมอพฤติกรรมของคนเนี่ยไม่สม่ำเสมอ อย่างคนอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าอยู่กันปกติมันก็ไม่มีอะไรอะแต่ว่าทะเลาะ ก, กันแสดงผิดปกติทุกทีในะใครตกรับบ้านดึกผิดปกติทำอะไรผิดปกติอะไรแต่อะไ ร, ะไรไมันจะเกิดทีนี้ถาไมไอ้ไอ้ไม่ปกติตัวนั้นมาจากไหนก็มาจากกิเลสเกิดแสดงว่าคนหนึ่งเพิ่มกิเลสขึ้นคนหนึ่งก็ไปไ ป, ไปกระตุ้นกิเลสคนอื่นเข้าไปก็สร้างปัญหาในฐานะที่เราเป็นเป็นสมาชิกของสังคม ตรงนี้มันก็สืบเนื่องมาจากเราไม่รู้ความจริงเ็นมะเราก็ไม่รู้ความจริงเพราะว่าถ้าถามว่ารู้ความจริงด้วยอะไรก็เรียกว่าด้วยโยนิโสมนตรการอโมหะโมหะนั้นเจอด้วยอะโยนิโสมนตริกันคือไม่คิดมีเหตุมีผลแต่ถ้าเราคิดมีเหตุมีผลมีระบบในการคิดเข้าใจในแง่มุมต่างๆเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปแบกอะไรไปมากเกินไป ก็สามารถจะลดส่วนโมหะลงไปได้โมหะนั้นมีโทษมากใครชาปันการลดโมหะได้นะี่ก็แสดงว่ามีคุณมากเนื้วก็อยู่ที่ใจนานให้เราสังเกตว่าความรู้ผิดกับความจำนะฮะความรู้ไม่จะอยู่ไดนะ้นาะอะไรก็ตามที่เรามีความรู้บางทีก็นานแล้ว บ, บ, บทจะทาก็ทำได้ เราจะทำก็ทำได้เพราะว่ามันมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าไอ้ตัวความจำเป็นปัญญาด้วยกันแต่ปัญญาระดับจำนั้นจะมีคุณภาพน้อยกว่าปัญญาระดับรู้ร ะ, ระดับที่เป็นปัญญานะฮะปัญญาก็เรียกระดับสัญญาความจำระดับบิญญาณระดับปัญญาถ้าเป็นระดับปัญญานั้นนา น, า น, น, านหลายปีเราก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ นีพ่พระสูตรนี้เป็นแนวจิตวิเคราะห์คือให้ดูจิตดูจิตตัวเองแล้วก็มองถึงพฤติกรรมคนทั้งหลายนะคนทั้งหลายก็ได้นะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมทั้งหลายที่เกิดมาจากราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นอย่างไงวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไงแล้วเมื่อมันแรงเกินว่ามันทําอะไรแล้วสื่อาลักษณะสืบสาว ถึงว่าคนที่แสดงความเสียสละก็ดีความเมตตาเอื้อเฟื้อสมคบสมคบคนอื่นก็ดีเป็นคนที่มีศีมีผลก็ดีนั้นก็เกิดมาจากสภาพจิตที่กิเลสไม่แรงหมายความว่ามีอย่างน้อยก็มีมองในแง่ของไม่สวยไม่งามมองในแง่ของเมตตามองในแง่ของการใช้ปัญญาเป็นหลักในการดาเนินชีวิต สมับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนหลาหลายตัวตัวกันทุกท่านคือ